ช่วงเช้านี้ประมาณตีสครขึ้นไปถึงหโมเนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังคุณครูบาอาจารย์ท่านมาแนะนำไหมครูบาอาจารย์ก็ถ้าเราตั้งใจฟังเกิดปัญญา <c oughs> ตอนนี้ก็เสมือนวินพ่อเป็นแม่ที่ให้ก่อกําเนิดสติปัญญากับพวกเรากา น, นศึกษาเงยโตสตประสาทตั้งตั้งใจฟังคิดว่าช่วงนี้ <c oughs> เราตั้งไหน คนได้อารมณ์กันาบ้างแล้วลนะ่ะเราฟังออกฟังเข้าใจเมอหลายวันวันปกติก็จะมีการเก็บอารมณ์มีการฟังวิธีแก้อารมณ์มีอะไรท่านนี่นะแต่วันนี้จะได้กราบวารัตนานี่วันวันคุณหลวงพอ่อมาหาท่านแส <c oughs> ดงทําให้เราฟังแล้วแต่ว่าท่านเห็นสมควรที่จะอนุกราะหนะ์ชาวี้ก็เราะผมข อ, ข อ, ขอกลับวาระธนา ของพ่อได้แสดงทแกพิสุพิทยุกเลยครับ อยากให้วันนี้มีแต่การเคลื่อนไหวอยากให้วันนี้ไรที่เสียงปรุงแต่งอยากให้วันนี้ไรตำแหน่งที่เฝ้ามองอยากให้วันนี้ไรเจ้าของที่เป็นตัวตน ตั้งใจฟังธรรมสักครึ่งชั่วโมงฟังธรรมจบแล้ว เป็นนี้ไม่ใช่ปัไม่ใช่ธรรมะข้อสงสัยใครสงสัยอะไรบ้างก็ถามได้อยากให้วันนี้มีแต่การเคลื่อนไหวอยากให้วันนี้ไรเสียงปรุงแต่ง อยากให้วันนี้ไรตําแหน่งที่เฝ้ามองจะอยากให้วันนี้ไรเจ้าของที่เป็นตัวตนฟังฟังตัวเองแล้วรู้สึกมันสนุกฟังตัวเองพูดสนุกกว่าคนอื่นพูดมันมีแจ่ของจริงเท่านั้นที่ที่ตัวเราเองพูดออกมา กายมันก็พูดให้เราฟังใจมันก็พูดให้เราฟังแต่เราไม่ค่ยได้ฟังมันเท่าไหร่เราแต่ฟังเสียงคนอื่นจะลืมลืมฟังตัวเองก็เลยทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราฟังตัวเองเยอะๆความทุกข์ก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆ เวลานั่งนานๆเป็นชั่วโมงร่างกายเราเราเร า, เราพูดว่าอย่างไรบ้างเราตอบสนองเขาว่าอย่างไรถ้าได้ตื่นถ้าได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยใจเราพูดว่าอะไรบ้างเราได้ฟังเขาไหม <c oughs> <c oughs> นะเพราะใจมันเป็นคนช่างพูดถ้าเราไม่ฟัง ใจมันเด็กเล็ ก, ลกชอบพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ใจเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ไม่ค่อยพูดใจก็จะสงบเฝ้าดูแตน่นเมื่อใจของเราเป็นเด็กมา ก, มากๆใจแล้วก็นอกจากช่างพูดแล้วก็งอแ ง, งขีออนเรียกร้องทำให้เรา เฝ้าดูแล้วก็เข้าไปถ้าเขาขี้อ้อนงอแ ง, งแล้วก็เข้าไปปลอบโยนปลอบโยนเขาอย่าไปบังคับเพราะฉะนั้นนั้นเป็นเป็นความจริงที่ปรากฏตลอดเวลาเสียงที่เราฟังตัวเองเนี่ยเป็นเสียงที่ดังที่สุดแล้วก็เป็นเสียงจริงที่สุด สมัยหนึ่งอาจารย์เซนหลังจากที่ท่านไปเผยแพร่ อ, พ อ, อยู่ที่ที่เมืองจีนแล้วเนี่ยก่อนที่จะกลับท่านก็อยากจะทดสอบว่ า, าผู้ที่ศึกษากับท่านหรือว่าเป็นนักศึกษาเป็นสาวกของท่านนี่จะเข้าใจธรรมะแค่ไหนแล้วท่านก็ตั้งทางกระทูถาม อะไรคือธรรมะอะไรคือธรรมะลูกศิษย์คนหนึ่งก็ลุกขึ้นอธิบายว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลของธรรมชาติธรรมะคือสิ่งที่ได้รับจากธรรมชาติอาจารย์ก็บอกว่าเธอเอา เอาหนังเั่นไปเขาก็ได้หนังไปเอาอีกคนหนึ่งลุกขึ้นถ า, ถามมีคนหนึ่งลุกขึ้นตอบอาจารย์ก็ถามธรรมะคืออะไร <c oughs> ธรรมะคือธาตุสขันห้า 5, อายตนะ12 58องหปดิจีอินสี่ปฏิจจสุบาท สิบสอริยสัจ ส, สมากมีองค์8อาจารย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอเอาเนื้อฉันไปนะเอาสิทีิคนหนึ่งโน้นลุกขึ้นยืนถามอ า, อาจารย์ก็ตกอบธรรมะคืออะไรธรรมะคือไร้ตัวตนไม่มีการปรุงแต่งคือธรรมะ เอถ้าอย่างนั้นเธอเอาดูกชั้นไปเอาอีกคนหนึ่งยืนขึ้นถามว่าธรรมะคืออะไรเธอก็หุบปากแล้วก็นั่งลงอาจารย์ก็บอกว่าเธออย่างนั้นเธอเอาเยื่อในกระดูกชั้นไปเห็นไหมธรรมะมีมีหลายชั้น การปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติในสิ่งที่มันปรากฏขึ้นในกายในใจตลอดเวลามันเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมส่วนที่เป็นสังขารธรรมและอสังขารธรรมปรากฏให้เห็นตลอดเวลา ส, รราสังคตะธรรมอรรมสังคตะธรรมพยากตะธรรมพูดถึว่สังคตะอสังคตะก็เป็นคำใหม่ขึ้นมาแล้วเห็นไหม พอพูดคำใหม่ขึ้นมาแล้วก็สงสัยว่าอ๊อะไรสังคตาอาสังคตาสังขารอาสังขารคือในส่วนไหนที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็สมมติปวดขาเนี่ยปรากฏขึ้นมามันก็ปรุงของของมันไปเรื่อยๆปวดใจของเราก็คิดเอ๊ะปวดที่ทําไงจิตแล้วก็ปรุงต่อละทำไงก็ เขาบอกว่ากําหนดรู้แล้วก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปปวดขาก็หายไปเป็นเป็นสังขาระปรุงแต่งให้ปวดพ อ, อจิตมารับรู้การปรุงแต่งนะั้นจะทําอย่างไรออตัวสังขาระเข้ามาเข้ามาแล้วตัวสติเป็นอสังขาระเข้ามาบอกว่า ให้เปลี่ยนสิให้เปลี่ยนสินสตัวนี้เป็นสังขตะเข้ามาช่วยสังขาระแล้วก็เปลี่ยนไปเอาสักพักหนึ่งยกไปยกมามันมันเบือ่อตัวเบื่อก็เป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมาอีกแล้วปรุงแต่งทางใจเพราะมันไม่สบายกายปรุงแต่งทางใจ ทีนี้ถ้าไม่มีไม่มีตัวสติเข้าไปดูตัวอสังขาระตัวอสังขตะเข้ามาช่วยไม่ได้ก็เบื่อก็คิดต่อตัวสังขาระก็ทํางานต่อเราวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ววันไงก็เบื่อเบื่ออยากอยากก็ทําทนทําไปวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็ได้กับกบูต่อไปเรื่อยๆสังขาระบูแต่ก็เป็นเป็นทุกข์ น, นีนทุกข์สักพักหนึ่งพอพระท่านเตือน นึกขึ้นได้ว่าอาจารย์บอกว่าเออการปรุงแต่งนั้น เ, ปนเป็นเป็นทุกสติได้สติขึ้นมากําหนดรูอความคิดนั้นก็หายไปอสังขตธรรมก็มาทําหน้าที่อีกแล้วมันจะแก้ไขกันนี้ตลอดแต่ในกรณีผู้ที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยไอตัวแก้ไขนี้ก็ไม่มีตัวสติที่ขึ้นมาจะบอกว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็ไม่มีที่แท้มีเข้ามาล่ะ เราไม่เรียกตัวนั้นว่าสังขารเอาสังขารมาแก้สังขารเราเรียกว่าสัญชาตญาณเช่ น, นเวลาปวดขาเนี่แลราก็พลิกโดยที่ไม่ต้องตั้งสติตัวนี้ก็เป็นสังขารอีกตัวหนึ่งตัวนี้เรียกว่าตัวสัญชาตญาณเวลามันปวดมากๆมันเปลี่ยนข้อมันเองโดยที่ไม่ต้องกำหนดรู้ก็ได้แต่ว่าตัวสังขาราตัวใหม่เกิดขึ้นคือตัวโมห oh ะความหลงลืมเข้ามาอีก ใจเป็นอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยใครขอโทษพูดเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งเวลาตื่นม า, ามาก็ไม่สำรวจ ด, ดูตอนแรกดูดูใจก่อนก่อนที่จะตื่นบางทีกายมันกายมันยังไม่ทันตื่นนะนั่งนอนคนชอบชอบดูแต่จิตมันตื่นแล้วจิตก็จะมาเฝ้าดูกายทีหนึง่ง จนกระทั่งว่ารู้สึกเขาพอแล้วจิตเขาตื่นก่อนพอเขาขอพอแล้วตัวสติสัมยาเขาเข้าเข้ามาแล้วก็ค่อยกระดิกแต่ในช่วงที่ร่างกายไม่พร้อมที่จะตื่นเนี่ยเรากดิกไม่ได้นะแต่ใจรู้บางวันบางวันกายก็ตื่นก่อนบ า, บางวันจิตก็ตื่นก่อนอสังเกตมั้งไหม เป็นธรรมชาติที่ที่อะไรที่น่าศึกษามากึกษามากก่อนนอนเรามีการเตรียมตัวนอนอย่างไรการตื่นในการนอนเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับนักปฏิบัติธรรมเป็นกรณีที่ศึกษาว่าขณะที่นอนในจิตมันค่อยสู่ก่อนที่เขาเชื่อมต่อของการพวังคะก่อนที่จะสติสัญญายจะาพักหรือจิตจะพักเนี่ยมันเข้าไปอย่างไร ก็ผมเรยจะมาศึกษาสังเกตตรงนี้หลายๆครั้งเป็นกิจกรรมที่น่าศึกษาและสนุกมากในการศึกษาตรงนี้จนกระทั่งเห็นการเข้ากันออกระหว่างการตื่นไปสู่การหลับอย่างไรและการหลับเพียงพอแล้วมาสู่การตื่นได้อย่างไรทำอยู่นานกว่าจะจับมันได้นี่คือการปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรมคือการศึกษากิจกรรมของชีวิตประจาวันนั่นเอง แต่ว่าถ้าเรายังไม่มีเครื่องมือในการศึกษาเราต้องมาฝึกก่อนการฝึกตัวนี้ก็คือการมาฝึกความรู้สึกตัวนี่แหละนี่คือเครื่องมือมาฝึกเอาเครื่องมือตัวนี้คือสติสัมมชัญญาและสติสัญญาที่ถ้าประคองไปนานๆมันจะเกิด <c oughs> ตัวสมาธิและปัญญาของมันเองโดยที่ไม่ต้องอยากทําเหตุที่มันถูกเท่านั้นแหละมันเป็นของมันเอง นี่คือเครื่องมือเราเรามาฝึกกับเครื่องมือเหมือนเราจะเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ฝึกจากท่านผู้รู้ฝึกจากครูซะก่อนว่าครูหรือฝึกจากหนังสือตำราฝึกแล้วก็เข้าไปเล่นไปทําดูเหมือนกันการที่เราจะมารู้จักศึกษาชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องมีเครื่องมืออันดับแรกมีเพื่อนผู้บอก เพื่อนผู้บอกได้วิธีการเรียกว่าได้ดวงตาที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นเจวคีพอเป็นเจวคีมีมีพระพุทธเจ้ามาบอกคือได้กัลยาณมิตรท่านก็ได้ดวงตาจาักของอุทปาพาิตยานังอุทภาพาิปัญญาอุทภาพาิวิชาวุทป า, าิอโลโกอุทป า, าิให้ดวงตาดวงตาตรง น, นั้นได้แก่วิชาปัญญาญาแสงสว่าง ที่เสวดกันเมื่อวานตัวนั้นคือเครื่องมือถ้าเราไม่มีดวงตาคือญาณคือปัญญาคือความรู้คือแสงสว่างนี่เราจะเอาอะไรไปศึกษาล่ะเพราะนั้นการเคลื่อนไหวนี้เป็นเครื่องมือที่จะทําให้เกิดสติสมัญญะถามว่าสติสมัญญาไม่มีหรือมีแต่ว่ามันไม่มีกําลังเพราะว่ามันไป รับใช้ถูกตัวคิดตดัวสังขารเนี่ยดูดไปใช้เกือบหมดแต่ละวันกำลังมันไม่พอทีนี้เราก็มากระตุ้นกระตุ้นความรู้สึกตัวทุกรูปแบบเนี่ยโดยใช้ความเพียรความเพียรตัวนี้จะเป็นการนั่งนานๆเดินนานๆนอนนานๆเขาเรียกว่าตะบะตะบะคือ ทำที่ทำให้เผาเผาสังขารและวิสังขารออกจากกันเผาความคิดและความรู้สึกออกจากกันเผาความรู้และความไม่รู้ออกจากกันเหมือนกับเรามีน้ำกะทิสักปี๊บหนึ่งเนี่ยเราจะแยกน้ำมันออกจากกะทิปี๊บนี้ได้อย่างไร เราก็ต้องเผานะถ้าสมมติว่าฟืนไม่พอหรือความร้อนไม่พอเนี่ยกระที่กันนั่นมันก็แยกจา ก, กันไม่ได้ก็ต้องใส่ฟืนให้มันพอเพราะที่มาที่นี่เรามามาบาเพ็ญตรวะมาเผากิเลสมาต้มกระที่แต่ไม่ใช่ถูกต้มนะไปบางวัดเราถูกต้มแต่มาวัดนี้เรามาต้มตัวเอง ทีนี้พอเผาไปนานๆเนี่ยกะทิกะทิเนี่ยมันยังนปนกันอยู่ระหว่างสังขารวิสังขารเนี่ยซึ่งถ้าเราต้องการเอาไปทาแกงทำขนมก็เอากะทิแต่แค่จะลั ก, กะทิเนี่ยมันมีอายุอายุของมันจำกัดแค่สามวันห้าวันอาทิตย์หนึ่งมันก็เสียแล้ะหรือบางทีไม่ถึงวันั น, นแล้วแต่เงื่อนไขของดินฟ้ากัด ที่เราอยากจะรักษากระทิ้นี้ไว้นานๆเนี่ยเราจะรักษารูปแบบนั้นก็ยากไปใส่ตู้เย็นไปทําอะไรอัดกระป๋องลักมีมีขบวนการอีกไลแบบแต่จะรักษาโดยธรรมชาติเนี่ยทำไงก็ต้องเอาไปหุงเพื่อแยกเอาตัวที่มันเปลี่ยนแปลงนี่ออกตัวมันเปลี่ยนแปลงง่า ย, ยแยกออกไปก็คือหุงต้มเผาจนกระทั่งว่า มันเหลือแต่น้ำมันไอตัวกะทิัวน้ำมันก็ถูกเผาออกไปเผาออกไปตัวนี้เรียกว่าความเพียร น, นะซึ่งถ้าหากเป็นความเพียรที่ถูกมันจึงจะเป็นเพียงพอนะมันถึงจะเป็นน้ำมันขึ้นมาได้ถ้าความเพียรที่ไม่ถูกไม่เพียงพอก็จะเป็นน้ามันช้าหรือไม่เป็นก็ได้เช่นน้ำกะทิสักปี๊บหนึ่งเราใช้ ไฟสักดุลหนึ่งสองดุลกวจะเป็นน้ำมันหรือไม่เป็นเลยก็ได้ไฟอาจจะไม่พออาจจะดับนี่เรียกว่าความเพียรไม่พอว่าะไฟไม่พอบางคนความคิดต้งเยอะอารมณ์ต้งเยอะแต่ว่าทำความเพียร น, นิดๆหน่นนอยๆทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็เล่นไปเว่าเติมน้ำกระทิ่เข้ามาเรื่อยๆแต่ไฟไม่เติม แล้วมันจะเป็นน้ามันได้อย่างไรอันนี้คือความต่างของผู้ปฏิบัติที่ว่าทำไมได้ผลชา้าทำไมได้ผลไวทีนี้เราจะทำยังไงให้ให้เข้าใจว่าเป็นความเพียรที่ถูกเป็นความเพียรที่มากพอเพราะในความเพียรเรียกว่าสัมมาวายามะเนี่ยก็มีมี definition หรือมินิยามจำกัดเอาไว้ว่าหนึ่ง จะต้องระมัดระวังเราตั้งใจว่าจะต้มปิ๊บเดียวเนี่ยระมัดระวังอย่าไปเติมอีกนะถ้าเติมขึ้นอีกมันจะมากขึ้นเกินกว่าปิ๊บหนึ่งเนี่ยไฟที่เรากําหนดไว้แค่นี้มันไม่พอหนึ่งจะเติมอย่าพยายามเติมจํานวนเท่าที่มันมีหมายความว่าเรามาที่นี่เรามาปฏิบัติแล้วก็คิดแต่เรื่องที่นี่แหละวันนี้แหละแต่ถ้าเราเรื่องข้างนอกมาเพิ่มมาเติม มากมายแต่ละวัน น, ะน้ำกระที่เราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแ ต, แต่ไฟคือความเพียรของเราไม่เพิ่มมันมันก็เป็นน้ำมันยากอใช้เวลานานไม่ใช่เจ็ดวันแล้วมันอาจจะอาจจะเป็นเจ็ดเดือนเจ็ดปีไปอันที่สองคือหนึ่งอย่าเพิ่มภาระให้กับจิตถ้ามันสองถ้ามันเผลอเพิ่มมาเพราะสติสัมยาเราไม่สมบูรณ์นะ มันต้องเพิ่มความคิดเผลอคิดขึ้นมาทําไงขั้นที่สองท่านบอกให้ประหารตัดออกทันทีประหารความคิดไม่บาปนะฆ่าความคิดที่ไม่บาปฆ่าความคิดที่เป็นมันผิดนะประหารออกไปทันทีถ้าเรารู้ว่าอ่อ น, นี่เป็นความคิดที่เพิ่มเข้ามาไอ้เฉพาะความคิดที่นี่และสังขารที่เกิดที่นี่เราก็จะรับไม่หวดัดไม่ไหวอยู่แล้วแต่ทำไมต้องเพิ่มเข้ามาอีก รู้ว่ามันเพิ่มเข้ามาตัดทันทีนี่เป็นความเพียรความเพียรชนิดนี้ไม่ใช่เป็นการเดินเจมูมสร้างจังหวะนั่งสมาธิอะไรแต่เป็นการเฝ้าดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในใจหรือเปล่าขณะนี้้อเพิ่มเติมเข้ามาแก้ไขตัดออกทันทีที่วิธีตัดเอาความคิดตัดความคิดได้ไหมก็จะมีปัญหาอีกสาหรับคนที่ยังไม่ได้ปรามัดเพราะฉะนั้นก็จะเอาความรู้สึก เราความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นพยายามทําจิตให้อยู่กับความรู้สึกชัดๆความคิดนั่นก็หลุดเพราะจิตมันมีขนาดเดียวเมื่อถูกดึงมาที่นี่เสียมันก็จะหลุดจากขณะนั้นมันก็เข็มม า, มาทางนี้มันก็ต้องทิ้งทางนี้ทําไปทางนี้นก็ทิ้งทางนี้เพราะมีขนาดเดียววิธีตัดความคิดสําหรับผู้ใหม่ก็คือเราความรู้สึกตัวให้ชัดๆมันก็หลุดที่ตัด อันที่สาต้องเร่งไฟให้ลุกอย่างต่อเนื่องต้องเร่งไฟคือความเพียรให้ต่อเนื่องเร่งถ้าถ้าเป็นการต้มกะทิก็คือเร่งไฟให้ต่อเนื่องถ้าไฟมันมอดมันเฟดมันดาวลงเราก็พยายามเฉียบเอา ผ่านเอาขมเมาเอาขี้เท่าออกก็เฝ้าดูนะเดินเฝ้าออนั่นก็หมายความเพิ่มสติกําลังของสติสัมผัสมากขึ้นเรื่อยๆ อ, ยอันที่3วิธีที่จะเพิ่มสติใช่ไมให้มากขึ้นเลยทำอย่างไรนี่ท่านก็สอนให้กําหนดรู้การเคลื่อนการไว้อดีบทน้อยรีบทใหญ่ลมหายใจรู้การไปการมานี่คือการเพิ่มรู้ชัด นี่คือการเพิ่มพลังของสติสัญญาเพียรประการที่4เมื่อเพิ่มได้อย่างเสมอเสมอแล้วรักษาความสม่อเสมอของสติสัญญานั้นให้ชัดเจนไว้เสมอรักษาความชัดเจนของสติสัญชัยะไว้เสมอคือเมอรักษาเปลวของไฟที่ต้มกะทิตรงนั้นนะ่ะให้ให้ร้อนให้โรงอยู่เสมอ น้ำกะทิปิบนั้นก็เดือดอย่างต่อเนื่องเดือดไปเดือดไปมันก็ไล่เอาสิ่งที่ไม่ใช่น้ำมันออกไปสิ่งที่น้ำมันก็จะเป็นน้ำมันก็จะรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งได้ที่กะทิและน้ำก็หายไปเหลือไว้แต่น้ำมันฉันใดก็ดีเมื่อเราเคี่ยว นะเคี่ยวสติสัมยะคือพยายามดูแลไฟตอนนั้นที่เรามาทำเนี่ยมันทุกเกิดขึ้นมันถูกต้องแล้วถ้าคนไหนมาทาแล้วไม่ทุกเลยเนี่ยมันไม่ถูกนะมันก็จะเคี่ยวกับที่เนี่ยถ้าไฟมันไม่แรงเลยเนี่ยไม่มีไฟเลยเนี่ยมันก็ที่มันจะกลายเป็นน้ำมันได้อย่างไรเพราะนั้นในอริยสัจ ท, ท่านจึงว่าทุกต้องจัดการเรื่องทุกให้ได้ นพะุทธเจ้าท่านรู้วิธีการต้องมีไฟก่อนถ้าไม่มีไฟเนี่ยน้ำมันกะทิตรนั้นมันจะเป็นน้ำมันไม่ได้เลยถ้าไม่มีทุกเนี่ยจะแยกความคิดกับสติสมะยะออกกันไม่ได้เลยจะแยกสังขารกับวิสังขารเนี่ยออกจากกันไม่ได้เลยจะแยกสติกับสังขารออกจากกันไม่ได้เลยนี่ทุก อรลีสัตมานี่เรามาปฏิบัติตามหลักของอาลีสัตมาล้วมันทุกข์เราอยู่ที่บ้านสบายอยากจะกินก็ได้กินอยากจะนอนก็ได้นอนอยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากจะพูดก็ได้พูดอยากจะทำอะไรก็ได้ทำตอมาที่นี่ขัดข้องหมดอยากจะพูดก็ไม่ได้พูดอยากจะนอนก็นอนยากๆอยากจะคุยก็คุยยากๆมันขัดหมดอันนี้คือทำให้มันเกิดทุกข์ ถูกขัดหมดพาจารย์ก็จี้นั่นจีนี้จะกินก็ไม่สะดวกทุกมันก็เกิดแต่ทุกนั้นต้องกําหนดรู้ท่านว่าทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องเข้าใจทุกต้องศึกษาทุกต้องเรียนรู้ทุกต้องเห็นทุกต้องเข้าใจไม่ใช่ทุกต้องดับไม่ใช่กลัวหรือหมกกลบเกลือน บ, บังคับมันผิดตรงนั้นเองทุก <c oughs> ต้องศึกษาเขาเรียกว่าเป็นเป็นยาตะปริญญาเนี่ยทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องเข้าใจเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจที่ว่าสภาวะที่ทนไม่ได้เนี่ยสภาวะทนไม่ได้ทางกายเราก็เปลี่ยนอิิยบถไปเรื่อย เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะนั้นร่างกายหรือรูปเนี่ยเป็นสังขารโดยกำเนิดโดยวิบากที่เราได้มาจากพ่อแม่บรรพบุรุษเพราะฉะนั้นมันก็จะทุกข์ของมันตลอดไม่ว่าคนนั้นจะรู้ทํามหรือไม่รู้ทําก็ตามแม้แต่พุทธเจ้าก็ยังทุกข์กับตัวสังขารตัวนี้คือร่างกายคือรูปเราก็อาศัย ถ้าเรายังไม่แจ้งเกี่ยวก็เรื่องทุกข์ที่เกิดโดยเฉพาะผู้ใหม่เนี่ยทุกข์ที่เกิดทางใจที่เป็นเหตุเนี่ยยังไม่รู้หรอกรู้แต่ที่มันเป็นผลแต่ที่เป็นเหตุยังไม่รู้เราก็ต้องมาอาศัยเหตุที่มันเกิดทางกายนี้ก่อนเพราะมันง่ายดีการปวดขามันเห็นง่ายกว่าการปวดใจการเจ็บขาเนี่ยจะเห็นง่ายกว่าการเจ็บใจทีนี้เราก็มามารู้ ตัวรู้สึกที่เป็นไปทางกายที่มันเป็นทุกข์เนี่ยให้ชัดๆนะเวลาเราติดไฟเนี่ยเวลาเราจัดการกับไฟเราจะไม่ได้จับไฟนะเราจับดุนไฟใช่ั้ยกายเหมือนดุนไฟและไฟที่เกิดเน่เหมือนกับใจเนี่ยไม่ต้องไปจัดการกับเปลียวไฟจัดการกับดุนไฟไฟมันเป็นเดียวเนื่องกันเสร็จแล้ว ทุกต้องกำหนดรู้ต้องเข้าใจต้องศึกษาที่มันเกิดทุกทางกายก็ต้องศึกษาแก้ไขไปบำบัดไปแต่ขณะแก้ไขบำบัดทุกทางกายเราก็รู้สึกตามที่อาจารย์ท่านบอกพูดกันมาทุกวันนะเรื่องเดียวนะก็เพียงพอที่จะเข้าใจในระดับนั้นทีนี้พอเราจัดการเรื่องกายอย่างมีสติอย่างมีความรู้สึกตัว มันก็เริ่มเริ่มเรียนรู้การความทุกข์ทางจิตความทุกข์หยาบหยาบเนี่ยความทุกข์ทางจิตที่หยาบหยาที่ไปจากทางกายก็เรียนรู้เชื่อมกันต่อไปทุกต้องกำเนรู้ทั้งกายใจทั้งรูปและนามแต่ทั้งกายทางใจและรูปและนามเนี่ยมันมันเป็นไปตามกฎของมันอะไปห้ามมันไม่ได้โดยเฉพาะกายเนี่ยเป็นสังขารโดยโดยทายเดียวด้วยส่วนเดียว ในฝ่ายรูปเนี่ยสังขารฝ่ายรูปเนี่ยเป็นสังขารโดยหายเดียวทำให้เป็นวิสังขารไม่ได้เพราะนั้นจะต้องอบำบัดท่านใช้คาว่าบำบัดท่านไม่ใช้คาว่าดับหรือขจัดเพราะมันดับหรือขจัดโดยสิ้นเชิงไม่ได้แต่ต้องบำบัดไปเรื่อยๆในขณะที่บำบัดทุกทางกายหรือทุกทางรูปเนี่ยเราก็ศึกษาด้วยการฝึกสติสมรยะใน ความหมายของ5กรรมฐานที่ฉันสอนสติสัมยะนั้นเมื่อก่อนเราก็บอกว่าสติคือความล้ลุกได้ในกิจที่ทำคำที่พูดแม้นานแล้วอันนี้เป็นสติที่ความหมายทางตำราและวิชาการแต่ว่าสติในความหมายที่ นักกรรมาฐานท่านพูดถึงคือตัวรู้สึกตัวที่มันติดอยู่กับกายเนี่ยเ น, นี่สติที่เป็นสติปัฏฐานเราก็มาเรียนรู้สติปัฏฐานสติที่เป็นกายานุ ป, ปัสนาอันนี้ต้องลําดับให้ให้ดีนะว่าอันมาโยงไปไหนบ้างให้ชัดเจนเสมอจะฟังเฉยเฉยไม่ต้องจำํำกาได้ว่ามาเริ่มต้นด้วยว่า ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าเราเราไม่มีเครื่องมือจัดการนะทีนี้เรามาศึกษาหาเครื่องมือจัดการคือสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาทํสี่ข้อเนี่ยเป็นตัวจัดการเป็นเครื่องมือเรียกว่าพนาลายสีก่กรสติสัมญะสมาธิและปัญญาเมื่อได้เครื่องมือแล้วอามาก็ยกอุปมาเหมือนการต้มกะทิกนี่ะจะแยกความรู้สึ ก, กออกจากความคิดอย่างไร มาก็โยงเรื่องความเพียรเข้าไปความเพียรที่ถูกต้องที่จะไปแก้ไขจุดนี้นั้นไม่ใช่ว่าทํามากๆไม่ใช่ทํานานๆแต่ทําให้ถูกต้องทําให้ต่อเนื่องทําให้ตั้งใจอุปมาเหมือนการต้มกะทิทีนี้ตัวความเพียรเนี่ยมันจะไปแยกความรู้สึกกับความความคิดออกกันจากกันได้อย่างไร กเพราะว่าตัวตัวกายเนี่ยมันมีเวทนาเป็นตัวบังคับอยู่ทุกขเวทนาบังคับอยู่เพราะงั้นก็เบื้องต้นที่สุดเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นจากการดูกายที่ผ่านเวทนาเป็นตัวตัวแสดงผลแล้วก็เฝ้าดูเวทนาทางกายนี่ก่อนเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนคันตรงไหนแสบตรงไหนขัดตรงไหนยอกตรงไหนก็ก็เฝ้าดูมันเฉยๆว่าเป็นความรู้สึก จะไปเฝ้าดูว่าถ้าเมื่อใดเรารู้สึกหรือเราไม่สบายเราเจ็บเราปวดตรงนั้นก็เริ่มไม่ถูกละแต่ให้ดูเฉยๆว่าเป็นความรู้สึกมันไม่มีเราอยู่ในนั้นนี่ตัวตัววิธีการวิธีการของหลวงพ่อเทียนที่ว่ามันเป็นวิปัสสนามากกว่าสมถะตรงนี้แต่ถ้าหาว่าใครเข้าไปดูตรงนี้ด้วยความเป็นเรานะีมันก็ยังเป็นสมถะอยู่นั่นแหละ ยังไม่เป็นมิปัสนาแต่เราเข้าไปดูว่าเอออันนี้เป็นความรู้สึกนะซึ่งมันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเคลื่อนไหวของเลือดของลมของท่าสี่ตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็นําไปสู่ความเสื่อมความเสื่อมก็ปรากฏแสดงผลออกมาเป็นความทุกเวทนาและทุกเวทนานี้ก็ก็ถูกแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ก็มันไม่มีตัวเรียกว่าอนัตตาก็ดับไปก็เริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยไอ้การเริ่มต้นใหม่ของมันเนี่ยเราไม่เห็นกระบวนการหรือสังเกตดีชัดเจนเราก็นึกว่ามันมันเที่ยงมันคงที่มันก็ไปสําคัญมันหมายตัวนู้นว่าเราปวดขาเราเป็นทุกข์แต่ลราเข้าไปดูดีๆเนี่ยเอาความทุกข์ที่ปวดตัวเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่นานเนี่ยพอเราเปลี่ยนมันก็หายไปเราเห็นกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงควตั้งอยู่ไม่ได้แล้วการแตกดับสลายไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างเนี้ยเหมือนคลื่นในทะเลพอมันกระทบฝังหายไปขึ้นลูกใหม่กระทบเข้ามาอันนี้เรียกว่าคลื่นของสังขารในส่วนกายเราก็เอาความรู้สึกในส่วนกายนี่มาเป็นเครื่องมือโดยสติสัมยะเข้าไปเฝ้าดูมาเป็นเครื่องมือในการฝึกฝึกการเฝ้าดู จิตของเราก็มารับรู้เพราะนั้นจิตที่มารับรู้กับการเคลื่อนไหวของกายและความรู้สึกทางกายเรียกว่ารูปนามนะมีคำใหม่ขึ้นมาอีกรูปหนึ่งนะถ้าเราเห็นความรู้สึกที่เป็นไปในกายชัดเลอกเราเรารู้รูปนามลนะรูปนามโดยสัญญาให้รู้ไปก่อน แต่ถ้าหากว่ารูปนามนี้มันยังอันนี้ตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะมันยังเกี่ยวข้องด้วยว่า เ, าเราเข้าเ ป, เป็นผู้เจ้าของของรูปนามเนี่ยว่าเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยเราเบื่อเราเซ็งมันก็จะไปเกิดนามรูปขึ้นในจิตของเราไปสร้างว่าเราขึ้นมาความจริงตัวเวทนาเนี่ยมันก็ไปสร้างตัวนั้นขึ้นมาเพราะความสาคัญ ผิดคือสติปัญญาตามไปไม่ทันก็เป็นสร้างนามรูปตัวใหม่นามรูปตัวนั้ น, นเป็นคำที่สองคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจว่าเออเรารู้สึกสบายเรารู้สึกไม่สบายเรารู้สึกชอบเราไม่สึกไม่ชอบเรารู้สึกสุขเราทุกข์รู้สึกบุดิตตัวนั้นนามรูปเกิคือมาแล้วทุกข ท, ท, ทางจิตเกิดขึ้นทันทีเลยความไม่สบายทางใจเกิดขึ้นทันที เพราะนัเวลามาตื่นเช้ามาวกกับไปนิดหนึ่งตื่นเช้ามาหลังจากดูกายดูใจมันตื่นขึ้นมาแล้วสารวจดูกายก่อนกายนอนอยู่อย่างไรสบายไหมวันนี้แล้วรู้สึกขัดคล่องตรงใดตรที่ใดที่หนึ่งขึ้นมายังทำอะไรต่อไม่ได้แลอไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มาทำกายบาบัดช่วงหลังมาก็บวกเรื่อง กายภาพบำบัดช่วยเขาบีคือการทําโยคะบำบับดด้วยการโยคะทําให้ร่างกายมันคือเราบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นไปยึดมัน่นถือมัน่นอย่าไปทำอะไรมันอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเนะี่ยเมื่อก่อนมาเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลถ้าเป็นของเราเราเราใช้ไงก็ได้เขาไปเราไปยืมเข้ามาเนี่ยเราต้องดูแลเอใจใส่อย่างนี้นะ ถืวไปยืมมีดยืมขวานเข้ามามาฟันขอโทษมาฟันแบบอิรุยฉุยแฉกมันไม่ได้เราต้องทนุถนอมเพราะของเรายืมมายืมเข้ามายืมของใครอะ่ะของพ่อแม่บรรพบุรุษทุกคนเน่ะที่กําเนิดเรามาบางคนก็บอกยืมธรรมชาติเขามาใช้ถูกต้องทีเดียวทีเมื่อเป็นของยืมเข้ามาเนี่ยเราจะไปใช้ตามใจเราไม่ได้เราจะใช้อย่างทะนุถนอมเหมือนเงินเนี่ย เรายืมเข้ามาเนี่ยเราจะไม่คืนเขามันไม่ได้เราก็เป็นหนี้เราก็ต้องดูแลหนี้ตรง น, นั้นค่อยผ่อนค่อยเบาค่อยปนค่อยจ่ายดอกจ่ายต้นทุนจ่ายอะไรก็ไปเรื่อยๆถ้าคนไหนหนีหนี้หนีนอตรงนั้นแล้วก็ผิดกฎหมายเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติของรูปห้างหนา ม, มันก็ผิดกฎธรรมชาติแล้วก็ถูกลงโทษเป็นวิบากเป็นโรคภัยไข้เจ็บลงโทษเราอีกชั้นหนึ่ง เนี่ยมันถึงว่าเรื่องธรรมะถ้าพูดไปลึกๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้ศึกษาด้วยตัวเองแต่ให้ได้เครื่องมือคือสติและปัญญาเท่านั้นนะถอนออกมาอีกนิดหนึ่งเมื่อเราทําความเพียรอย่างถูกต้องแล้วว่าเอออันนี้ความรู้สึกนะอันนี้ความคิดนะความรู้สึกที่เป็นไปในรูปเรียกว่ารูปนามนะความรู้สึกที่มันเป็นไปในใจเรียกว่านามารูปนะ ดูตัวนี้ให้ชัดก่อนขณะ น, นี้อะไรที่มันแสดงผลขนาะนี้ให้เอาตัวนั้นเป็นตัวหลักในการศึกษาแสดงผลทางกายขนาะนี้มีอะไรบ้างปวดเมื่อยเคล็ดยอกปวดตรงไหนเนี่ยเอาตัวนั้นเป็นเป็นเคสตัศไปก่อนเอาเป็นกรณีศึกษาดูให้ชัดทนได้ก็ทนดูไป ถ้าทนไม่ได้ค่อยกำหนดรู้แล้วก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวกรณีใหม่เรื่องใหม่ก็ขึ้นมาอีกแหละเปลี่ยนขาซ้ายที่มันปวดเดี๋ยวมันก็กลับมาปวดขาขวาปวดขาขวาขาทรายจนเบื่อแล้วเดี๋ยวมันก็ปวดหลังปวดเอวปวดหลังปวดเอวจนเบื่อแล้วก็มันก็ปวดไหล่เมันเลื่อยไปแหละนั่นคือเป็นข้อที่เราศึกษานะแต่พอได้ยินเสียงกระทบพระอาจารย์พูด ให้เกิดความพอใจไม่พอใจมันก็คิดปรุงแต่งตามไปมันก็ถ้าเป็นเรื่องที่พอใจแล้วก็เพลินฟังเกิดความเข้าใจเกิดความสงบถ้าพระอาจารย์พูดเป็นสิ่งที่ไม่พอใจกระทบอัตราของตัวเองก็เกิดความหงุดหงิดตำคานก็เข้าไปดูอีกขณะนี้จิตเราเป็นอย่างนี้นะจิตเรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบจิตของเรารู้สึกงัวงเงียหรือปลอดโปรง จิตของเรารู้สึกตื่นหรืออึมเศาเข้าไปดูตรงนั้นนีกนะบางทีเรื่องกายที่มันปวดหรือมันเจ็บมากๆเราลืมมันไปเลยนะถ้าเราเข้าไปเข้าไปในความคิดพอเข้าไปในความคิดปั๊บมันก็ไม่รับรู้ละหรือรู้เพียงผิวเผินละความคิดหรือนามรูปนั้นอย่าเข้าไปนี่เป็นคำที่สามละ อย่าเข้าไปในความคิดเนี่ยพระเถียนบอกอย่าเข้าไปในความคิดเข้าไปดูมาอยู่หน้าถ้าท่านบอกว่าดูปากถ้าดูรูปทรงของถ้ำท่าพูดบ่อยๆคือมาดูกายดูใจถ้าเข้าไปในความคิดก็ลืมกายนี่เพราะใตัวสติสัญญายเราจเจริญขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มเห็นไปเรื่อยๆจะเห็นทุกข์ทางกาย พอมีรูปมีนามเห็นทุกทางจิตพ่อมีนามารูปเห็นทั้งสองอย่างเริ่มชัดแล้วน้ํามันกับกะทิเริ่มแยกกันทีละนิดทละนิดเริ่มเห็นน้ํามันลอยเป็นฝาขึ้นมาน้ํามันมันจะเบาน้ํากะทิมันจะหนักเวลาคนไหนเชี่ยวกะทินี่ยจะจะเห็นชัดเพราะน้ํามันมันจะลอยเป็นฝาขึ้นมานะถ้าเป็นตัวรู้สึกตัวรู้ล้วนเนี่ยมันจะทําให้จิตเนี่ยเบา แต่ถ้าเป็นความรู้สึกความทางความคิดการปรุงแต่งเนี่ยจิตมันจะหนักเหมือนน้ำกะทิมันจะอยู่ข้างใต้แต่เมื่อไรเอาสติมากำหนดกายกำหนดใจชัดๆสบายๆจิตมันก็จะลอยความรู้สึกก็จะเบาเคี่ยวไปเคี่ยวไปน้ำมันก็เริ่มเป็นฝาขึ้นมากะทิ่ก็อยู่ข้างใต้ก็เริ่มแห้งลงไป เนี่ยคือศึกษาธรรมะที่มันก็ก็คือศึกษาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติเพราว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนี่หมายความว่าเราสามารถจะโน้มนําเอาสิ่งที่เป็นวัตถุธรรมเนี่ยเข้ามาเป็นอุบายในการปฏิบัติถ้าเราไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนเนี่ยมันไม่เกิดโอปัญญโกมันไม่เกิดองคธรรมหกประการนี่แต่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมมันเกิดองคธรรมหกประการที่เราสวดนี่ย สวารขาโตสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปัญญิโกปัจตังเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามลําดับเพราะฉะนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้นนะเห็นรูปให้นามเห็นความรู้สึกเอออันนี้รู้สึกทางกายนะอันนี้รู้สึกทางใจนะเอออันนี้เป็นเป็นรูปนะอันนี้เป็นนามนะอันนี้เป็นคิดนะอันนี้เป็นความรู้สึกให้เห็นตรงนี้ชัดๆก่อนพยายามทําความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดๆการเคลื่อนไหวทุกขณะ ส่วนไหนเป็นรูปมันแสดงผลอย่างไรแสดงผลออกมาเป็นเจ็บเป็นปวดเป็นขัดเป็นย่อเป็นเมื่อยเป็นหนาวเป็นเย็นเป็นร้อนเป็นเคลื่อนเป็นตึงเป็นไหวดูชัดๆตรงเนี้ยแต่ในส่วนนี้เป็นนามันแสดงผลออกมาเป็นอย่างไรเป็นตัวกลางก่อนคือความรู้สึกความรู้สึกมีสองแบบความรู้สึกที่เป็นเวทนากับความรู้สึกที่เป็นผู้เฝ้าดูเวทนา เพราะ น, น้นนำมันก็มีสองแบบนะน้ำมันที่ยังปนเปื้อนอยู่และน้ำมันที่บริสุทธิ์น้ำมันที่ปนเปื้อนเหมือนกับเวทนาเป็นความรู้สึกเหมือนกันแต่มันปนเปื้อนด้วยด้วยความรู้สึกที่เป็นตัวตนอยู่มีเราปวดมีเราเจ็บมีผู้เสวยทุกข์ที่เกิดจากกายนั้นแต่ น้ำมันที่ไม่ปนเปื้อนที่ถูกความร้อนเผาสูงมากน้ำมันก็บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นตัวสติสัมปชัญญะเป็นน้ำมันเป็นตัวนามที่บริสุทธิ์เวทนายังเป็นตัวรูปนามที่ปนเปื้อนด้วยอัตตาตัวตนแต่พอมาสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก็ชัดขึ้นมาเพราะนั้นน้ำมันไหนที่มันเบามากๆมันจะลอยอยู่น้ำมันก็มีความหนาแน่นน้ำมันไหนที่หนักก็จะอยู่ข้างใต้แต่เหนือกะท่ขึ้นมาอีก นะ่คมรู้สึกก็เหมือนกันพอเรารู้สึกกายรู้สึกใจชัดๆเนี่ยจิตเราจะเบาทันทีเลยเบาแล้วก็ดูไปแล้วก็สนุกในการดูนะดูลมหายใจก็ได้ดูการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนก็ได้ยืวการเคลื่อนไหวเล็กๆภาพตาปากเดี่ยวซ้ายขวาก้มเงยเคลื่อนไหวก็ได้ ดูธาุ้สีดินน้ําลมไฟก็ได้ดูอาการ3 2มคืออาการนะไม่ใช่ไปดูอวัยวะนะดูอาการของมันทั้งตัวเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงนะดูหลายๆอย่างในส่วนที่เป็นกายานุปัสนาเมื่อเห็นชัดว่าเอออันนี้เป็นความรู้สึกเป็นเวทนาอันนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นสติ เห็นชัดตรงนี้แล้วก็ง่ายขึ้นละทีนี้ไม่ต้องไปอยากรู้รูปนามแต่ให้เข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปศึกษารูปนามไปเรื่อยๆเพราะมันปรากฏอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปอยากมันก็เห็นแต่เพียงแต่ว่าให้ทําสติสัมยาเนี่ยให้ถูกเท่านั้นเองแต่สติสัมยาที่ถูกต้องก็อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้คือสติสัมยาที่เป็นไปในความคิดคือต้องอ สามารถจดจําสิ่งที่ทําคําที่พูดได้นานเป็นสติสัญญาที่เป็นไปในความคิดแต่ถ้าเป็นสติสัญญาที่เป็นไปในสติปัฏฐานสี่คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและลึกได้เช่นเรายกมือเนี่ยโดยการจุดประกายของความรู้สึกสติเหมือนกับไม่ขีดขีดมาแชะพอไปติดเทียนหรือติดตะเกียงทเทียนหรือตะเกียงที่เตรียมพร้อมมาไว้นั้นเหมือนกับสัมปชัญญะ มันจะต้องทำหน้าที่รับช่วงจากสตินะแต่ที่นี้ทำไมเราจุดบ่อยๆละ่ะไม่ขี่เนี่ยเราขี่แช่เดี๋ยวก็จุดใส่เทียนกทิงท้งแค่นั้นเองวอนเนี่ยเข้ามารบกวนอยู่ไม่ขาดโดยเฉพาะตัวลังเลสงสัยเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ย ตัวไหนที่มันมีบทบาทก็มีความสําคัญมากมท่านจะเรียกว่าเรียงว่าตัวสุดท้ายในฝ่ายขุนศรลธรรมเหมือนกันตัวไหนที่มีบทบาทสําคัญมากๆท่านก็เรียงไว้ตัวสุดท้ายศีล ส, สมาธิปัญญ า, างงเงี้ยก็เรียงไว้พุทธชงเขาเรียกว่าอุเปขาอยเงี้ยอุปขาคือตัวปัญญาชนิดหนึ่งเมตตากรุณามุทิตาอุเปขานะ ฉันทาวิยยาจิตะวิมังสาก็เป็นตัวปัญญาชนิดหนึ่งก็เลียงไว้ท้ายเงี้ยทีนี้เมื่อเราเข้ามามาดู <c oughs> ตรงเนี้ว่าระหว่างรูปกับนามกายกับใจเนี่ยให้เห็นให้กำหนดรู้ให้ชัดอยู่เสมอจนกระทั่งว่าเห็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกเห็นความคิดเป็นความคิดแลาเมื่อไหร่ตัวรู้สึกตัวผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเนี่ย มันไม่ชัดเราก็ต้องกระตุ้นให้มันชัดไว้เสมอนะเพราะนั้นสิ่งที่กระตุ้นให้เราเห็นชัดคือตัวสติสัมปชัญญะและตัวผู้เห็นคือตัวปัญญาสติสัมปชัญญะเหมือนแสงสว่างที่เราเปิดขึ้นแต่ตัวปัญญาเนีเหมือนดวงตาที่เราเห็นถ้าในห้องนี้ไม่มีแสงสว่างคนนั่งทับบดเราก็มองไม่เห็น ถ้ามันมืดมากๆแต่พอเปิดแสงสว่างไม่มีใครอยู่ในนี่เลยก็เหมือนว่าไม่มีใครเห็นอะไรในนี้เลยแต่มีผู้เข้ามาอยู่ในนี่เจะเห็น <c oughs> หรือผู้เข้ามาดนะ้หลับตาเสแสงสว่างจะมีกี่ร้อยกี่พันแรงเทียนก็ไร้ความหมายพอหลับตามันก็มืดเหมือนเดิมแม่มีแสงสว่างก็ดานะถือมีแสงสว่างเราไม่มองเรามองไปทางอื่นเราก็ไม่เห็นี เนมันองค์ประกอบของมันเพราะนันตัวสติสัญญาและปัญญาที่จะไปเห็น <c oughs> เห็นสภาวะการ <c oughs> แสดงตัวของรูปของนามเนี่ยต้องประกอบกันว่ามีสติสัญญาคอยกระตุ้นให้เห็นอยู่เสมอแล้วมีปัญญาเข้าไปคือตัวสตินั่แหละเพ่ว่ามันไปทําหน้าที่ในการเฝ้าดูก็เรียกว่าเป็นตัวปัญญาอ่ก็ เ, เห็นเช่นเรารู้ว่าขณะนี้เราปวดปวดขาเนี่ย สติสัมยายทำหน้าที่แล้วว่ารู้ว่าปวดขาถ้าเราปวดเราก็ลุกไปข้างนอกสักพั้นหรือเปลี่ยนปุ๊บเลยหรือคิดอะไรไปอะไรต่อหนึ่งเพราะอาการปวดอันนั้นอันนี้เขาเรียกว่าหลับตายังไม่เปิดตาแต่พอเห็นอาการปวดก็ดูอาการปวดดูแล้อปวดก็คือปวดนี่ไม่ใช่เราปวด เป็นความรู้สึกก่างหาปัญญาเกิดแล้วนี่ลืมตาแล้วลืมตาเห็นแล้วเออเขาบอกให้ดูใจดูที่ไหนอ่ะอาจารย์ก็บอกดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำเ อ, อดูจะดูจะดูใจก็ต้องดูกายไปก่อนนะดูกายไปก่อนถ้าดูกายเป็นแล้วก็จะดูใจเป็นเพราะ กลายเป็นที่อยู่ของใจเหมือนได้จะดูลมเนี่ยเรามองไม่เห็นลมแต่เราจะรู้ว่าตรงนี้มีลมหรือพัดหรือไม่พัดก็ดูวัตถุที่มันอยู่ใกล้ๆนะจะเป็นกระดาษเป็นใบไม้มันเคลื่อนไหวแสดงว่ามีลมพัดลมเป็นรูปละเอียดเราก็อาศัยรูปหยาเป็นตัวแสดงจิตเป็นเป็นรูปละเอียด เป็นสิ่งละเอียดเป็นนิริ้ก็อาศัยกายเป็นตัวแสดงเราจะจะดูจิตก็ดูกายจะดูลมว่ามีไม่มีก็ดูวัตถุที่มันพัดเป็นกระดาษเป็นใบไม้มันแสดงอาการไหวล้วก็ดูตรงนั้นไปก่อนจนกระทั่งว่าเราเห็นว่าเอออันนี้เป็นรูปเป็นธรรมเป็นรูปเป็นนามรูปมันทำงานอย่างไรอ่ะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกดับไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หน้าที่ของรูกก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยสิ้นเชิงไม่มีไม่มีทางที่จีริกเลี่ยงไปเพราะมันเป็นรูปรูปทุกรูปต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าไตรลักษณ์ที่นี้นามละ่ะถ้านามมันเป็นนามล้ ว, ลวนๆนะ่ยมันก็จะอยู่เหนือเงื่อนไขของอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นวิสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของ อันนี้จางรูปขังหน้าตาแต่เมื่อใดนามตัวนั้นมันไปสร้างรูปขึ้นมาในตัวของมันเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้อันนี้เหมือนกันเหมือนความคิดเนี่ยความคิดปรุงแต่งมันมีเป็นนามรูปแล้วหมายความมีรูปขึ้นมาแล้วรูปอะไรรูปจินตนาการเช่นคิดถึงพ่อรูปพ่อก็ปรากฏคิดถึงแม่รูปแม่ก็ปรากฏคิดถึงแฟนรูปแฟนก็ปรากฏคิดถึงเหตุการณ์อดีตในอดีตในอดตก็ปรากฏเป็นรูปที่ปรากฏขึ้นในนาม เนื้อเนี่ยถ้ามันไม่มีเชื้อโลกไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีอมมนอนเข้าไปเนื้อมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแหละแต่ถ้าเมลามันมีเชื้อเข้าไปมันเกิดตรงนี้ท่าน เ, เรียกว่าเงื่อนไขหรือคอนดิชันเงื่อนไขตัวนี้ก็คือสังขารปรุงแต่งนามรูปสังขารก็ให้เกิดนามรูปตรงนั้นเลยเกิดนามรูปขึ้นมาคือเป็นรูปขึ้นมาในความรู้เรื่องเราเรียกว่าความคิดเราเรียกชื่อตามภาษา ธรรมะนามรูปตามภาษาเราเรียกว่าความคิดปรากฏขึ้นมามันเป็นเหตุนะมันยังไม่ทุกนะมันเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ละเหมือนหมายความว่ามันเป็นที่เกาะละแมงวันเนี่ยมันจะไปไข่ใส่ถ้ามันไม่มีเนื้อไม่มีปลานีมันไม่ไม่มีที่ไข่ไม่มีที่เกาะมันก็ต้องไปหาเกาะเกาะเสร็จแล้วมันก็ฝากพืชพันธุ์มันเอาไว้สังขารเหมือนกันถ้าไม่มีนามรูปเนี่ยไอ้ตัวอัตตาตัวตนเนี่ย มันไม่มีที่เกาะไม่มีที่ตั้งแต่พอมีนามรูปมีความคิดปรากฏอัตตาตัวตนก็ปรากฏตรงนั้นเลยแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะมันองค์มันยังไม่ครบที่จะเป็นทุกข์นะแต่เมื่อมีอะไระมีตัณหาเข้ามาแทรกอุปทานเข้ามาแทรกมีภพชาติมีอะไรเข้ามาแทรกปั๊บเป็นสาเร็จรูปเป็นทุกข์เลยนั้นในปฏิสุบตัต กระบวนการของการเกิดทุกข์เนะขาเรียงไว้ถึงสิบสออย่างนะหมายความว่าต้องครบขบวนการนะทุกข์ก็จะเกิดโดยสมบูรณ์ละอันนี้ลึกเข้าไปไปภาษาตำราภาษาเราก็คือเมื่อมีความคิดอยากเข้าไปในความคิดนะให้ออกมาอยู่กับความรู้สึกพอออกมาความรู้สึกปั๊บนามลูกก็ดับพอตัววิชาเกิดขึ้น พอนำมะลุปปรากฏเพราะอาวิชชาใช่ไหมอวิชชาก่อยเกิดสังขารสังขารก็เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปตรงนั้นเองพอตัวรู้สึกตัวเกิดขึ้นปับ๊บตัวอวิชชาคือความไม่รู้ก็หายไปแล้วก็ตั้งต้นมาอีกอย่างนี้เลื่อยไปเราไม่เข้าไปในความคิดเราก็มาอยู่กับความรู้สึกที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นจนกระทั่งตัวผู้รู้ของเราในเข้มแข็งมากขึ้นถ้าเป็นการเชี่ยวน้ำมันก็หมายควาน้ำมันมันมีกันตัวได้มากขึ้น กะทิมันก็น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปกะทิเนี่ยเอาไปจุดไฟไม่ได้เพราะมันมีน้ําอยู่แต่น้ำมันเนี่ยมันมีน้ําเหลือน้อยเต็มทีแล้วเอาไปจุดไฟมันก็ติดแล้วน้ำตัวนี้เหมือนกันมันพร้อมที่จะให้เกิดปัญญาแต่ถ้าน้ำตัวนี้มันยังเป็นน้ารูปอยู่หรือเป็นรูปน้ำอยู่เนี่ยปัญญามันก็เกิดยากอยู่จนกระทั่งว่าจิต ที่จะมาอยู่กับไฟนามจริงๆปัญญาก็เกิดเหมือนกับเรากันเป็นน้ํามัน อ, อแล้วนะเอาไปจุดไฟก็ได้ตะเกียงน้ํามันปัญญาก็เกิดตรงนั้นอืมคือหมายความว่าเราเราเ ร, ารู้เห็นตอนแรกแล้วก็ดูแต่กายไปก่อนกายทําอะไรกายรูปธรรมเนี่ยอยู่ภายใต้ น, นิจังทุขังหน้าตาทํางานทีนี้ถ้าหากว่ามีนามรูปอ น, นิจังทุกขังกาก็ เ, เข้าไปถึงมัน หมาความว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆลองคิดคิดเมื่อไรมันเกิดความคิดขึ้นมาตึ้งขึ้นมาเป็นภาพสไลด์เนี่ยนะยังไม่เกิดแอคชั่นยังไม่เกิดการเคลื่อนไหวแต่เมอเกิดการเคลื่อนไหวไปเรื่องเป็ราวขึ้นมาปับ๊บเหมือนเราไปดูหนังอะหรืดูดูสไลด์มันเป็นภาพนิ่งเป็นนามาดูแต่เมื่อไรมันมันเคลื่อนไหวมีการภากประกอบเสียงประกอบอะไรเข้าไปมันก็เป็นสังขารคือตัวประกอบกันเข้าไปเป็นเรื่องเป็รา พอความคิดก็มึนกันพอเข้าไปปั๊บถ้าไม่มีสติกำหนดรู้ที่ที่ความคิดปรากฏขึ้นสติไปกำหนดรู้ไม่ทันปั๊บมันก็สร้างเรื่องพอสร้างเรื่องก็เกิดละเหตุ <ait as. S 1> ทุกข์ก็เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลแอกุศลก็เป็นคู่ขึ้นมาละ Somewhere. ทีนี้เพราะมีคู่ถ้าเป็นนามล้วนๆไม่มีคู่ไม่เป็นไรถ้าเป็นรูปล้วนๆไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะแต่เมื่อไร มันไปอยู่ด้วยกันก็มีคู่แล้วก็เกิดเรื่องละเนี่ยทีนี้เมื่อเราจเจริญสติไปมากๆพอไปเห็นรูปนามว่าอันนี้นะรูปอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นรูปทําหน้าที่อย่างนี้นามทําหน้าที่อย่างนี้รูปนา ม, มมันไม่มีรูปทําหน้าที่ออกมาเป็นความคิดรูป ม, มันไม่มีนามทําหน้าที่ออกมาเป็นความรู้สึกเป็นเวทนา ที่มันมีสติปัญญาก็ตามดูไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ยากแต่ที่มันยากคือมันยังสงสัยมันยังไม่มั่นใจมันยังลังเลมันยังไม่ทุ่มเทยังไม่ทุ่มหมดหัวใจนั่นแหละนะแต่ถ้าเมื่อไดมันหายสงสัยนะมันไม่ลังเลแล้วเต็มที่เลยทีนี้นะ ก็จะดูได้เต็มที่แล้วการปฏิบัติธรรมก็จะง่ายก็สบายตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมในการฟังธรรมคืออยากจะให้พูดในเรื่องที่มันมันกำลังทำนะสิ่งที่กำลังปรากฏนมันจะสอดคล้องกัน ว่าสิ่งที่กําลังพูดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรากําลังเห็นแล้วพูดในสิ่งที่เห็นแล้วพูดในสิ่งที่ทําถ้าเราไปพูดในสิ่งที่เรามองไม่เห็นทำเนะ่ยมันเสียเวลาพูดผู้พูดเก็เหนื่อยผู้ฟังก็เบื่อทุกข์พอ่ะเพราะผู้พูดเองก็พูดออกไปจากนอกกายนอกใจก็ทุกข์ผู้ฟังเองก็ถูกจูงออกไปนอกกายนอกใจตัวเองก็ทุกข์แต่ถ้าเรามาช่วยกันดูกันรู้กันเห็นในสิ่งที่กําลังเกิดกําลังปรากฏ มันก็ไม่ทุกไม่ใช่สุขนะทุกทุกไม่ใช่ตรงข้ามกับสุขสุขไม่ใช่ตรงข้ามกับทุกทุกตรงข้ามกับความไม่ทุกสุข ก, ก็คือทุกชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามันทุกน้อยเราเรียกว่าสุขแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับทุกคือความไม่ทุก suffering นัน suffering ไม่ใช่ไอ้นตรงข้ามกับไอ suffering ไม่ใช่ happiness แต่มันเป็นนัน suffering คือความไม่ทุก นะเมื่อเป็นอย่างนี้ทุกข์กับตัวดับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันเนยตัวทุกข์กับตัวไม่ทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันแต่ถ้าหากมันมันปนเปกันนะตัวไม่ทุกข์เนี่ยคือตัวนามสภาวะที่เป็นกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนปะ็นตัวนามสภาวะที่เป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวรูปอย่างนี้คือเป็นตัวทุกข์แล้วก็ดู ปวดกับไม่ปวดก็อ <fy> ย <TC> ู <ismo> ่ด <Nam Awesome> ้วยกันนั่นแหละสมมติเราปวดขาเราหาไม่ปวดก็ได้พอพลิกปั๊บเนี่ยไอความไม่ไอความปวดก็หายไปไอความไม่ปวดไม่ใช่ความสุขความไม่ปวดก็คือความไม่ปวดความไม่ปวดคือความไม่ไม่ทุกข์ของหานั่นแหละไม่ใช่ความสุขเราจะเรียกความสุขก็ได้หรือว่าทนได้ง่ายสุขแปลว่าทนได้ง่ายทุกข์แปลว่าทนได้ยากทั้งสุขและทุกข์ก็ต้องทนสุขก็ทนทุกข์ก็ทนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องทนก็คือ คือการไม่ทุกข์กันเลยทีนี้เมื่อมาเห็นว่ารูปก็อยู่ในตอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาในส่วนที่เป็นรูปในส่วนที่เป็นนามาลูปคือจิตที่มีความคิดก็อยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้เราจะทำยังไงให้มันไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจนี้ก็มาอยู่ความรู้สึกตัวล้วนๆที่มันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงและความรู้สึกตัวล้วนๆ น, นี้มันมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิด มันมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดแล้วก็ตายไปมันก็มันก็ติดแต่ถ้าหากว่าตัวนามตัวรูปตัวนามตัวนามเมื่อมันสมบูรณ์นะมันไม่มีรูปอยู่ในเลยมันก็ไม่ต้องเกิดอีกถ้าตายแล้วนะแต่ถ้าหากว่าตายแล้วมันก็ยังมีรูปอยู่ในนามนั้นอีกมันก็ต้องไปเกิดใหม่อีกเป็นเป็นซีดเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะต้องไปเกิดใหม่จะไปเกิดอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องพูดถึง แต่รู้ว่าในขณะที่เราอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยทุกข์มันไม่เกิดไมใช้ได้เพราะนั้นก็พูดถึงการเกิดการดั บ, ดบก็คือการพูดถึงการเกิดการดับของทุกข์เท่านั้นนะ่ะแต่เรื่องเกิดการเกิดดับแบบสมมุติน่ะไม่ต้องไปรู้มันก็ได้นะว่าชีวิตมีการเกิดดับจิตมีการเกิดดับตลอดเวลาไม่ต้องไปรู้มันก็ได้เพราะเป็นเป็นกฎของมันอยู่อย่างนั้นนะ่ะแต่สิ่งที่จําเป็นต้องรู้ว่าทุกข์เกิดอย่างไรทุกข์ดับอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ในในรูปนามนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปเมื่อมันมีทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับท่านก็ยังกล่าวดันั้นในแต่ละวันคือกิจกรรมของเราคือการมาเฝ้าดูทุกมาศึกษาทุกมาทําความเข้าใจเรื่องทุกแต่เราใช้ภาษาผิดเราใช้ภาษาว่าดับทุกอา้าถ้าเราจะต้มกะทิเราไปดับไฟใช่เราจะเอาอะไรมาต้มกะทิละ่ะ ถ้าเราปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เราดับทุกข์ะะ อ, อะไรมาพ้นทุกข์ละ่ะอืมเราคิดภาษาที่มันมันเห็นชัดชัดนะถ้าเราจะต้มน้ํามาต้มกะทิเราไม่มีไฟใจมาต้มละ่ะสมัยนี้ก็พัฒนาเป็นอะไรแยกแบบใช้คูลเพรสบีบเย็นอะไรว่าอีแบบหนึ่งนนั้นเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งนั่นจะเห็นว่าการมาศึกษาปฏิบัติธรรมมันไม่ยากแต่ที่มันยากคือหนึ่งศรัทธาไม่เต็มเปี่ยม ไม่เต็มที่สองความเพียรไม่เต็มที่สามสติสมาธิปัญญาไม่มีกำลังจะเป็นเรื่องยากหมดเลยแต่พอเรามีศรัทธาเต็มที่มีความเพียรถูกต้องมีสติสมาธิปัญญาที่ถูกต้องเป็นเรื่องง่ายการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติเพื่อเพื่อความไม่ทุกข์นั่นแหละไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อหาความสุข ถ้าปฏิบัติทำเพื่อหาความสุขก็ผิดตั้งแต่แรกเลยเพราะสุขมันไม่มีเราไปหามันก็ไม่เจอแต่หาความไม่ทุกข์นี่เจออยู่เพราะอะไรเพราะมันมีทุกข์มันก็ต้องมีสิ่งตรงข้ามที่พระองค์ท่านประลบตั้งแต่แรกว่ามันมีร้อนก็ต้องมีเย็นอ่าเมือม่อมีทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์เป็นตัวแก้แล้วความไม่ทุกข์มันก็ปรากฏอยู่แล้วอย่างสมมุติว่าพื้นเนี่ย วันใดวัน1นึมันเกิดสุกกรปลกขึ้นมาเนี่ยเราก็มาเช็ดมา ก, กวาดเราเช็ดมา ก, กวาดนี่เพื่อสแสวงหาความสะอาด ห, หรืออย่างไรไม่ความสะอาดมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เอาความไม่สะอาดออกความสะอาดก็ปรากฏความไม่ทุกข์มันมีอยู่แล้วแต่เอาเหตุของความทุกข์ออกความไม่ทุกข์ก็ปรากฏเท่านั้นเองเนี้ยแล้วเราทาไมเราจึง ทำให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้มันเป็นเรื่องยากเพราะความไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ชัดแจ้งในสิ่งที่ปฏิบัติยิ่งสอนยิ่งบอกก็ยิ่งสับสนยิ่งซับซ้อนยิ่งยากเพราะผู้สอนผู้บอกเองก็ยังไม่ชัดไม่แจ้งตรงที่ตัวเองบอกมันก็เลยทำเรื่องง่ายให้กลายกลายเป็นเรื่องยากเรื่องลึกกลายเรื่องตื่นเรื่องสบายๆกลายเป็นเรื่องลึก ลับซับซ้อนแต่ลึกซึ้งนั้นมีอยู่แต่ไม่ใช่เรื่องลึกลับในพุทธศาสนาไม่มีเรื่องลึกลับแต่มีเรื่องลึกซึ้งแต่เราก็ต้องดูเหมือนเราดูน้ําในบ่อเนี่ยเราจะเห็นความลึกซึ้งของน้ําในบ่อได้อย่างไรถ้าน้ํา ม, มันยังขุ่นน้ำ ม, มันยังเคลื่อนเนี่ยเราก็จะเห็นความลึกซึ้งมันไม่ได้ต่อเมื่อใดน้ําในบ่อนี่มันตกตะกอนมันนิ่งเราจะเห็นทะลุเข้าไปถึง ก้นบ่อหรือก้นสะเพราะในสะนี่ไอความที่เราเห็นทะลุเข้าไปถึงก้นบึงก้นสะนี่เราเรียกวความลึกซึง้งแต่ใ น, นเมื่อมันยังขุ่นยังมัวอยู่มันกลายเป็นความลึกลับอะไรอยู่ในบ่อเราไม่รู้มีปลากี่ตัวมีกุ้งมีหอยกี่ตัวอะไรตกไปในบ่อเราก็ยังมองไม่เห็นมันกลายเป็นเรื่องลึกลับจิตที่ขุ่นมัวเศ้าหมองเนี่ยทำให้ชีวิตเป็นเรื่องลึกลับแต่เมื่อไหรจิตแจ่มใสจิตบริสุทธิ์สะอาดทาให้ชีวิตเป็นเรื่องลึกซึง้งแล้วก็ เบาสบายความรู้สึกไม่ใช่ไปคิดเอานะแต่ความรู้สึกคือการเห็นที่มีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรก็คือน้ําที่มันขุ่นเนี่ยเงื่อนไขมันคือขุ่นเนี่ยำาำไงให้มันใสอะ่ะหน้าที่ของเราไม่ได้ไปพยายามหามองความพยายามมองหาความใสหน้าที่ของเราจะทำงไงไอตัวขุ่นที่มาอยู่ในน้ำเนี่ยให้ออกไปอะ่ะนั่นคือหน้าที่ของเราเพราะใสธรรมชาติของน้ํามันมีใสอยู่แล้ว ความสาน้ำที่ใสเหมือเปิดเสมมือนน้ำตัวคุนนั้นเปิดสมมืรูปมันอาศัยกันอยู่เพราะฉะนั้นในจิตของเราถ้ามันเป็นนามมีรูปอยู่จิตมันก็ยังขุนอยู่เพราะนั้นให้มันเรียนา้ำ ล, ล้วนๆไอ้ตัวน้ำ ล, ล้วนๆนี่เรียกว่าสติสมาธิปัญญาก็ได้อันนี้คือคือสภาวะที่เราปฏิบัติแล้วก็แจ่มแจ้งแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากวันวันหนึ่งเรามีความ มีความไม่ทุกข์อยู่นะมาไม่อยากจะใช้คําว่าความสุขความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่อย่างสม่ําเสมอปัญหาร่างกายมีปัญหาก็แก้ไขไปจิตใจก็เฝ้าดูไปอย่างนี้คือการปฏิบททัติธรรมคุณจะไปทําอะไรก็ได้จะบวชหรือไม่บวชก็ได้คุณจะไปประกอบธรรมะกินรมอาชีพอะไรก็ได้แต่ว่ามันมีกติกาของมันกติกาที่จะ้รักษาตัวนี้เราเรียกว่าศีล ศีลคือกติกาเพื่อรักษาความไม่ทุกข์ให้คงอยู่แต่ศีลมี2ลักษณะศีลที่เป็นสังคมเพื่อรักษาหมู่คณะให้ดีงามแต่ศีลที่ของผู้ปฏิบัตินี้คือการรักษาจิตให้ปกติอะไรก็ตามทําอะไรก็ตามถ้าจิตผิดปกติแล้วศีลของนักปฏิบัติ ม, มันก็ผิดแล้วมันก็ขาดแล้วอย่าพูดถึงเรื่องของ ศีลสังคมเพราะนั้นศีลของนักปฏิบัติหรือศีลของผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือศีลใจถ้าใจผิดปกติเมื่อไหร่ศีลก็ผิดเมื่อนั้นศีลก็เศร้าหมองทะลุด่างพร้อยเมื่อนั้นถ้าจิตยังปกติอยู่ไม่ขึ้นไม่ลงไปตามศีลที่มากระทบศีลก็สมบูรณ์เพราะนั้นศีลไม่ใช่สิ่งที่ต้องรักษาเพราะศีลมันมีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องรักษา แต่ต้องเข้าไปรู้จักเข้าไปรู้จักแต่โดยสมมุติเราก็ว่าไปสิลคือข้อห้ามศิลคือตัวรักษาศินคือตัวอะไรแต่สิลที่จริงๆคือตัวที่ปกติของจิตเมื่อใจปกติกายเป็นไงก็ปกติถ้าจิตผิดปกติกายก็ผิดปกติเมื่อกายใจเราผิดศินใจผิดปกติเบ่ยบ่อยเรา หักวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อจิตผิดปกติป้ามันจะเกิดสร้างความตึงความเครียดความเทนส์ขึ้นมาไอตัวเทนส์นี้ก่อให้เกิดสารชนิดใหม่ในร่างกายหรือว่าหลังอะดรีนาลีนเกินปกติเนี่ยก็ทําให้ร่างกายนี้เกิดกดเกิดพิดขึ้นมาทําให้โรคความไม่สบายกายก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นโรคของกายก็มาจากจิตนั่นเองถ้ารักษาจิตให้ปกติกายก็ปกติโรคภยัยาขเจ็บก็ก็น้อยลงไปตามลําดับ เขาเรียกวรูปโรคนามโรครูปโรค ก, ก็เนึ่องมาจากนามโรคนั่นเองเ <c oughs> มื่อนาม <c oughs> ขออภัยเมื่อนามมันเป็นโรคคือมันผิดปกติก็กายมันก็เป็นโรค ก, ก็มาบัตาบัตที่กายปลายเหตุไปก่อนแล้วก็มาบัดที่ต้นเหตุคือจิตพยายามรักษาศีลรักษาจิตให้ปกติใหม่จิตที่จะตัวที่จะมารักษาศีลก็คือตัวสติเพราะสติเป็นแม่ของธรรมทั้งปวงจะ รักษาศีลก็ต้องให้มีสติจะเจริญสมาธิก็ต้องให้มีสติจะเจริญปัญญาก็ให้มีสติเข้ามาก่อและสติตัวนี้ก็จะแปลงลูกไปเรื่อยๆถ้าทำหน้าที่เป็นตัวปรับจิตให้ปกติก็เป็นตัวศีลถ้าสติตัวนี้ทาหน้าที่ความรู้สึกตัวทั่พร้อมจิตตัวนี้สติตัวนี้ก็ทำหน้าที่ของสัมปชัญญนะ ถ้าหากว่าเข้ามาทําหน้าที่รักษาความรู้สึกให้มั่นคงชัดเจนอยู่เสมอตั้งมั่นอยู่เสมอสติตัวนี้ก็ทําหน้าที่ของ ส, สมาธิการเข้าไปดูรูปดูนามภายนอกภายในยให้แจ่มแจ้งชัดเจนอยู่เสมอสติตัวนี้ก็ทําหน้าที่ของปัญญา ก, mm hmm. ก็แปลงตัวไปเรื่อยๆแล้วแต่เพราะนั้นเองพระพุทธเจ้านึกจัดว่าตัวสติจึงเป็นธรรมที่เป็นประธาน ท่านเปรียบเสมือนว่ารอยเท้าสัตว์ในป่าทั้งเจตุบทวิบาทมารวมกันในรอยเท้าสัตว์ใหญ่คือช้างชั้นใดทาทั้งหลายที่เราตถาคตตัดไว้ 84,000 พันพระธรรมขันมารวมในธรรมหมวดเดียวคือสติคือความไม่ประมาทก็ฉะนั้น <c oughs> นั่นจึงเรียกว่าใบไม้ในกำมือ นั่นเอง <c oughs> หน้าที่ของเราก็คือเจริญสติแต่ว่าจะทำยังไงให้เป็นสติที่ถูกต้องเป็นสติปัฏฐานเนีเรื่องเจริญเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ทําทให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะต้องมีเงื่อนไขมีปัจจัยเข้ามาประกอบนะดังนั้นจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องไม่ยากสําหรับผู้เป็นนะแต่สําหรับผู้ไม่เป็น ก็ยังยากอยู่ดีเพราะนั้นเราจึงแสวงหาความถูกต้องคือเหตุไม่ใช่แสวงหาความสุขเพราะเมื่อมันถูกต้องเมื่อไหร่ความไม่ทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาทันทีถ้าทำอย่างนี้แหละถ้าหากว่าในในสังคมนักปฏิบัติของเราเนี่มีความถูกต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่เนี่ย โลกเราจะเย็นลงทั้งเยอะทีเดียวนะอืมเย็นซึ่งมันเป็นสุดยอดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ละคุ้มละที่เราได้รู้จักเรื่องนี้แต่จะทำยังไงให้มันละเอียดประณีตขึ้นเรื่อยๆสติละเอียดประณีตขึ้นเรื่อยๆยิ่งละเอียดประณีตเท่าไหร่จิตก็ยิ่งสงบมากลงเท่านั้นจิตก็เริ่มเย็นเย็ น, ย, น, ย, นย็นลงมากเท่านั้นเมื่อสติสัมยาจายังหยาบอยู่จิตก็ยังยังเร่าร้อนอยู่ เราก็ต้องมาทําสติสัญญาให้ละเอียดประณีตขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการเฝ้าดูให้ถี่ถ้วนขึ้นเรื่อยๆท่านใช้คําว่าโยนิโสมนาสิการองค์ประกอบที่จะทําให้สติสัญญาละเอียดประณีตขึ้นเรื่อยๆมี2องค์ประกอบองค์ประกอบที่หนึ่งคือได้รับความรู้จากกรัลรยาณมิตรที่ถูกต้องคือผู้มีประสบการณ์มาก่อนนั่นเองให้ชี้การชีน้นาที่ถูกต้องไม่ค่อยเขวไม่สับสน ประการที่2มีโยนิโสมณสิการคือมีความแยบคายสําหรับส่วนตัวของข่ายของมันถ้าคนไหนมีความแยบคายมากก็สติสัมย็จะละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีความแยบคายน้อยคําว่าแยบคายคืออะไรนั่ใช้คําว่าโยนิโยนิโสโยนิโสโดยกําเนิดโดยต้นเหตุมณสิการ นะเข้าไปทำใจให้เห็นถึงต้นเหตุของสิ่งที่เกิดนะต้นเหตุคืออะไรสมมติการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นผลได้ใช่ไหมอะไรทําให้เราเคลื่อนนะไปดูไหมว่ากายเคลื่อนได้นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อัตโนมัตินะมันจะต้องมีที่มาเอ๊ที่เราเคลื่อนอย่างเงี้ยอะไรมันทาให้เราเคลื่อนนะตามเข้าไปดูที่เราจะเปลี่ยนขา อะไรทำให้เราเปลี่ยนก็ตามเข้าไปดูความปวดอะไรปวดขาปวดหรือเราปวดตามเข้าไปดูให้ชัดแล้วที่จะเปลี่ยนอนะอะไรบอกให้เปลี่ยนความอยากหรือความจําเป็นความต้องการของอะไรความต้องการของกิเลสหรือความต้องการของธรรมชาติก็เข้าไปดูตรงนั้นเห็นไหมเพราะนั่นคำว่าโยนิโสเนี่ยเป็นคําที่สําคัญมากในพุทธศาสนาในคําสอนของพุทธเจ้าโยนิโสมณสิการ เพราะมันเป็นองค์ของปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีความตั้งใจในความละเอียดแต่ว่าความละเอียดนั้นเกิดจากความต้องการศึกษาความเข้าใจไม่ใช่เป็นการบีบบังคับตัวเองถ้าจิตของเรายังเร่าร้อนยังรุนแรงอยู่เราบีบให้มันเข้าไปดูเนี่ยมันไม่ได้เราก็ต้องทาเหตุคือทาดึงใจกลับมาก่อน ดึงใจกลับมาอยู่ปัจจุบันก่อนถ้าจิตมาอยู่ปัจจุบันไม่ได้เนี่ยมันเข้าไปโยนิโสไม่ได้เข้าไปวิปัสนาไม่ได้เพราะจิตเข้ามาปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นตัวปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเรามีบ้านถ้าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราจะจัดการในเรื่องบ้านดูแลในเรื่องบ้านทำความสะอาดบ้านอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเรา อยู่ในบ้านเนี่ยเราดูแลบ้านขโมยมันมามันก็ไม่กล้าเข้าบ้านถึงแม้เราไม่มีอาวุธอะไรก็ตามถ้ารู้ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่มันก็ไม่กล้าเข้าละแต่ในความคิดความปรุงแต่งต่างๆพอมันมาเห็นสติอยู่กับกายแล้วมันก็มันก็ไม่กล้าลุกเข้ามาอย่างรวดเร็วอ่ะมันก็จะต้องเฝ้าดูว่าสติมันจะเผลอเมื่อไหร่มันก็เข้าขโมยที่มันจ้องที่จะเข้าบ้าน มันก็ดูเจ้าของบ้านจะออกบ้านเมื่อไหร่มันก็ตามสะกดดูไปเรื่อยๆหรือมันจะแอ บ, บอยู่ใกล้ๆนั่นแหละตัวเผลอมันก็แอ บ, บอยู่ใกล้ๆตัวสตินั่นแหละถ้าเมื่อไหร่สติลืมสติปักตัวเผลอก็เข้าทันทีมันแล้วก็ขโมยเราไปขโมยเอาความไม่ทุกข์ขโมยเอาความปกติเราออกไปนะเพราะฉะนั้นการที่เรากระตุ้นให้เกิดสติก็คือเตือนให้อยู่กับบ้าน เตือนให้เจ้าของบ้านอยู่กับบ้านเสมอจนกระทั่งว่าเจ้าของบ้านอยู่กับบ้านโดยที่รักบ้านนี้นะคือหมายถึงว่าตัวสติตัวนี้เป็นสัมปชัญญะและปัญญามากขึ้นคาว่าสัมปชัญญะคือหมายถึงการระลึกรู้ได้แต่หัวจุดเท้าได้ชัดเจนเป้าหมายของสัมปชัญญะมีอะไรบ้างเนะี่ย น, นี้ว่าเป็นปริยัตินิดหนึ่งเพื่อให้ชัดเจาะชัดเจนสติก็มี4ใช่ไหมที่เป็นสมาสติกายเวทนาเลือๆรในกายเวทนาจิตตรรมและในส่วนที่เป็นสมัมผัสัญญาก็มี4เหมือนกันสัมผัสัญญาแปลว่ารู้พร้อมรู้พร้อมอันที่หนึ่งจะต้องรู้ว่าประโยชน์ที่เราเข้าไปรู้ประโยชน์รู้ประโยชน์เสียก่อนนะ สมมติว่าเราจะพลิกขาเนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรคือบรรเทาทุกขเวทนาใช่ไหมทำให้ทุกขเวทนาเบาบางเขาเรียกว่าสาธกะสัมพันยะการจะพลิกเที่ยวนี้มันได้ประโยชน์คือทําให้เวทนาเราเบาบางเห็นเป้าหมายแล้วนี่เรียกว่าสัมพันยะระดับที่หนึ่งเห็นเป้าหมายเห็นประโยชน์ในการที่จะเปลี่ยนขาตรงนั้นอันที่สอง ในขณะที่เราจะพลิกจะเปลี่ยนเนี่ยเรามีมีอุปสรรคไหมมีอันตรายจะเกิดขึ้นไหมถ้าพลิกไปเริ่มไปดิดทางหลังเพื่อนพลิกไปแล้วทำให้ผ้าเปิดไม่งามเียก็ไม่มีสัมัญญาละพลิกไปแล้วดังพลิกไปแล้วไม่สวยงามาไม่ก่อให้เกิดความปลอดภัย ในการพลิกเปลี่ยนนั้นก็ดูรอบๆข้างด้วยว่าการเปลี่ยนของเราเนี่ยมันหลุกหลีกไหมมันลินลนไหมมันไปกระทบเพื่อนไหมตัวรู้ลักษณะรายละเอียดยนี้เรียกว่าสปายะสัมปัญญะอันที่สามะอันที่3าขณะที่เราพลิกเราเปลี่ยนในจิตเรายังโคจรอยู่ในในรูปในนามนยังระลึกรู้การทั้งหมด การเคลื่อนไหวทั้งหมดหรือเปล่าเห็นตัวชัดไหมการเห็นตัวชัดแล้วกา ร, ปรกเปลี่ยนไปก็เป็นสัมปชัญญะอันที่สามเรียกโคจระสัมปชัญ ญ, ญะทีนี้ประการที่4เมื่อพลิกเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราเรายังเห็นอาการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอีชัดไหมว่าทุกมันดับไปอย่างไรการปวดขาดับไปงไงสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอะไรกําลังจะเกิด อะไรกำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วที่หายไปนั่นคืออะไรเห็นชัดเจนตรงนี้เรียกว่าอะสัมโมหะคือไม่หลงลืมในสิ่งที่เรากำลังทำไปเมื่อกี้อะสัมโมหะสัมชัชนยะดังนั้นในในตัวเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยเข้ามาลงไปอีก่เรามักจะไม่นำมากล่าวเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนหรือก็นึกคิดปรุงแต่งเข้าไป ลึกเกินไปแต่เนี่ยอันนี้ยกขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีเก็บรายละเอียดไวในตัวของมันเยอะแต่ว่าเราไม่นํามากล่าวแต่เอาตัวหลักๆแล้วในส่วนรายละเอียดเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปเยอะๆ เ, เราจะเห็นด้วยตัวเองแต่บางครั้งผู้พูดเนี่ยต้องนํามาพูดก่อนเพื่อเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันนะเพราะฉะนั้นการทําแต่ละอย่างมันมีความหมายในตัวของมันเราเรียกปริยัติเราจะไม่ดู เราจะไม่เพลินในการกระทำเราจะไม่ดูเบาเราจะไม่ประมาทในสิ่งที่เราทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าอยากหรือไม่อยากถ้าหากว่าทำความเข้าใจแล้วเนี่ยมันทำด้วยความสบายและเป็นเป้าหมายเป็นชีวิตให้มันเป็นชีวิต มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องทําแต่เป็นชีวิตของเราถ้าเราทําแล้วเราจะได้ชีวิตที่ไม่ทุกข์แต่คนไหนอยากจะมีชีวิตที่เป็นทุกข์ต่อไปเราก็ไม่ว่ากันก็เชิญทุกข์ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นแต่คนไหนจะอยู่ด้วยความไม่ทุกข์อ่ะก็ต้องมาศึกษาเรื่องนี้จะเป็นคนฉลาดหรือไม่ฉลาดก็ตามศึกษาได้เหมือนกันแต่คนที่ฉลาดอาจจะไวแต่คนที่ไม่ฉลาดอาจจะช้าหน่อยก็ต้องทําเพราะมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับคนเดินทางคนไหนมีพาหนะดีก็เดินไปถึงก่อน แต่คนไหนมีพานะไม่ดีก็เดินไปถึงช้าก็าเดินเหมือนกันถึงเหมือนกันแต่จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับกำลังของเราความสามารถของเราเพราะนเรื่องปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำเป็นเรื่องต้องเข้าใจเมื่อเมือม่อเมือม่อมีอความเข้าใจแล้วการกระทำมันเป็นไปเองโดยทุกรูปแบบ ไม่ใช่ว่ า, วา aja, เราจะมาทำ anyway, ตามรูปแบบอย่างนี้นะเพราะชีวิตจริงของเราไม่ใช so ่มานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมอยีตลอดทั้งปีทั้งชาติชีวิตจริงของเรานั้นมันต้องทำภาระหน้าที่ไปตามเหตุปัจจัยแต่ในการทำภาระหน้าที่เหล่านั้นถ้ามันมีองค์ธรรมที่เราฝึกฝนอันนี้อยู่เนี่ยมันทำให้เราไม่ทุกข์เราจะเขียนหนังสือก็เขียนด้วยความไม่ทุกข์เราจะพูดก็พูดด้วยความไม่ทุกข์เราจะสอนหนังสือก็สอนด้วยความไม่ทุกข์ ไอคนที่เราไปสัมผัสสัมผัสเขาก็จะไม่ทุกข์กับเราแต่ถ้าเราทําอะไรได้วยความเป็นทุกข์คนที่ไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยเขาก็รับเชื้อแห่งความทุกข์กับเราแล้วก็เบินเผากันไปเผากันมาความทุกข์มันก็เกิดก็เลยเป็นสมุทัยนะเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้เขาจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมหลวงตายังอยู่นะเออ เะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายอยากจะให้เป็นวันที่มีแต่การเคลื่อนไหว Movement would like to be today นะให้เป็นวันที่มีการเคลื่อนไหวอยากจะให้เป็นวันที่ไร้เสียงปรุงแต่งมีได้แต่ว่าอย่าปรุงแต่งเสียงนั้นนะวันนี้อยากจะให้เป็นวันที่ไม่มีตำแหน่ง ที่จะมองอะไรให้มันแน่นอนดูชื่อๆเห็นชื่อๆเฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งในสิ่งที่เห็นวันนี้อยากจะให้เป็นวันที่หลายเจ้าของมาเป็นตัวเราให้มันเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมเป็นความรู้สึกดุอทั่วพร้อมอยู่เสมอซึ่งกระผมและธรรมาเองนั้นมาเห็นสิ่งนี้แล้วก็จะจะพูดแต่เรื่องนี้ มีคนหลายคนมาถามหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเป็นอะไรมาอย่างไรเช่าช่วยเล่าประวัติโอ้เรื่องมันยาวอยู่ไม่ต้องรู้ก็ได้ถ้ามาบอกให้ทําอะไรก็ทำก็นั่นเองมันเรื่องไร้สาระเรื่องเหล่านั้นนะแต่เรื่องที่มีสาระขนาดนี้เราจะตายวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้โกชัญญามรณงสูเอไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายในสมมตินะ่ะแต่ตายปรมัตเราตายตลอดเวลานี่คือตายจาก สิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นในสิ่งไหนก็ตามที่มันเป็นธรรมเนี่ยให้รีบให้รีบทรรมนะเราจะให้มันเป็นอนัตตาไปเรื่อยๆให้มันเป็นธรรมมาคือเป็นธรรมหมายความว่าทรงสภาวะปกติเอาไว้เรียกว่าธรรมทร่าะนะแปลว่าทรงสภาวะปกติเอาไว้สมมติว่าจิตของเรา สบายหรือไม่สบายเนี่ยสบายมากผิดปกติไหมไม่สบายเขผิดปกติไหมปวดเนี่ยผิดปกติไหมนะไม่สบายเขผิดปกติก็ปรับให้มันสบายเรื่อยๆส่งความสบายส่งความปกติเอาไว้เพราะฉะนั้นคําว่าสบายเนี่ยท่านใช้คําว่าสปายะมันมาจากภาษาบาลีคําว่าสปายะคาว่าสบายเนี่ยคือคือมันไม่ใช่สุขนะสบายเนี่ย แต่เรามันใช้พ่วงเขาว่าเออสุขสบายแล้วแต่ขำว่าสบายเนี่คือมันไม่ต้องทนแต่สุขนี่ยมันต้องทนนะมันทนง่ายเท่านั้นเองแต่สบายเนี่ยมันไม่ต้องทนเพราะนั่นคือว่าแฮปปี้เนสกับคอนเทนต์เนี่ยต่างกันคาว่าคอนเทนต์เนี่คือสบายแต่แฮปปี้เนสมันมันทนได้ง่ายแต่ว่าคอนเทนต์ความสบายสบายยะทําให้มันสบายไม่ต้องเอาสุขก็ได้เมื่อสบายนั่นกือปกติ หายใจให้สบายหายใจลึกๆแล้วก็ดูกายของตัวเองส่วนไหนไม่สบายก็ทําให้มันสบายแต่ไม่ต้องเอาสุนิเลวธรรมคือทรงสภาวะที่ปกติเอาไว้อย่างสบายแต่ว่าไม่ต้องแสวงหานะแล้วอย่างบางอย่างเนี่ยมันไม่สบายนะเช่นไปทํางานหนักๆเ น, น, นี่ยต้องแบกต้องหามต้องอยกกระสอบปูนกระสอบหินกระสอบทรายเนี่ยมันหนักมันหายใจหอบ เราจะสบายได้ไั้ยร่างกายไม่สบายแต่ใจได้ทำด้วยความสบายเพราะกายนี้มันสบายไม่ได้เพราะมันต้องอยู่เงื่อนไขอันนี้จังทุกขังตาตลอดเวลามันก็ต้องใช้มันทำงานให้มันใจได้ศึกษาใจสบายงั้นคนก็รักความสบายก็ไม่ต้องรมาหาากินอะไรก็พุทธศาสนาสอนให้คนขี้เกียจก็ไม่ถูกอีกพุทธศาสนาสอนให้คนสบายทางใจแต่กายเนี่ยมันไม่สบายอยู่แล้วล่ะแต่อย่าให้มัน ไม่สบายโดยไม่มีปัญญาให้ไม่สบายแต่ว่ามีปัญญาได้ปัญญาจากมันการทำงานเนี่ยจะทำหนักก็จริงแต่ว่าข อ, อนอกเรื่องอีกนิดหนึ่งนี่ก่อนจะมาเนี่ยมาพาพระธรรมสะพานข้ามคลองที่วัดธรรมแสงเทียนเวลาเดินจกกมูกเราวัดเนี่ยมันมาติดที่คลองคลองนี้ลึกมากทีนี้เวลาเราเดินลงคลองเนี่ยเวลาจะขึ้นมาคนแก่ก็ขึ้นยากก็คิดหลายครั้ ง, งจะทำยังไงให้เดินโดยที่ไม่ต้องลงคลอง เจ้าของก็ลึกมากจะทำสะพานก็ยากก็เลยอ่ะไหนๆก็ต้องทาก็ต้องทาสะพานทํากันดูสี่ห้ารูปเนี่ยโอต้องเอาไม้เอาไปตัดเอาไม้เอาเสาอะไรมาก็เลยบอกให้พวกเราปฏิบัติทําตรงนี้นะปฏิบัติทําตรงนี้เราก็ดูว่าเราถ้าคนไหนได้รับความเจ็บปวดโดยไม่จำเป็นนี่นะก็ถือว่า ปฏิบัติธรรมไม่เต็มที่ปฏิบัติธรรมเต็มที่มันได้ใช้ทําเรื่องหนักก็เป็นเบาเรามีเสาทั้ง10บกว่ า, าวต้นเสาต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะ่ะนะมาลงอ่าเรามีวิธีอะไรต่างๆเข้ามาเรื่องอปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยก็สนุกเห็นไหมคือการทํางานหนักแต่ให้เป็นเบาได้แต่ต้องใช้สติเราใช้สติทำนะอย่าใช้อย่าใช้อย่าใช้ความอยากทําถ้าใช้ความอยากทํามันจะหนักทันทีเลยแต่ใช้สติทำมันสนุกตั้งแต่เช้าจุดเย็นเราทำเงินสามวันสะพานเสร็จ คุณิตาคมโอ้สะพานนี้ถ้าหากว่าชาวบ้านทำจะต้องราคาเป็นแสน น, น, นะหลวงพ่อแสนอะไรแสนยากลํำบากแต่เราทําทำไมเป็นเรื่องง่ายก็เอาสติทามันก็กลายเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องเบาไม่เชื่อลองไปดูในเะสาต้นใหญ่เนี่ยทั้งหลายต้นแล้วก็เอาไม้ต้นใหญ่หญลงไปในคลองลึกๆแล้วตั้งขึ้นมาทําคานแล้วก็ไปตัดไม้บนภูบนภูเขาออกมาตั้งสามร้อยสี่ร้อยเล่มไม้ปูสะพาน ไม่สังเห็นไหมเราเราทำงานหนักก็ได้แต่ทําหนักแบบสบายทําได้แต่ต้องใช้สติทํางานหนักถ้าใช้สติมันจะกลายเป็นเรื่องเบาแล้วก็ทําได้เยอะทําได้ทั้งวันไม่เหนื่อยเอ๊ะมาว่ามากินเจด้นะมื้อเดียวได้วยนะทำไมมันทำงานได้ทั้งวันไม่ไม่เห็นว่าเหนื่อยเลยก็เลยโอ้เห็นว่าอันนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์ไม่ทุกข์คุณจะทํางานหนักขนาดไหนคุณก็ไม่ทุกข์ แต่ให้คุณมีสตินักทางกายแต่อย่าให้หนักใจเพราะนั้นมาที่นี่อาจารย์สุริยาท่านเป็นพระที่มีความกระตือรือร้ น, ลนแล้วก็มีความตั้งใจสูงอยู่กับธรรมามา45หปีเนี่ยมาก็ได้สบายเพราะท่านเหมือนกันแลกกันท่านมีความสามารถก็ปฏิบัติก็ท่านฝึก ปฏิบัติธรรมสักสาปีท่านก็เข้าใจแล้วแต่อีก2องปีท่านก็ฝึกงานเพราะฉะนั้นพ อ, อท่านเข้าใจทํางานได้ตรงนี้ามาก็บบาใจามาก็ไปทํางานต่อที่ไปสร้างตัวสติที่ต่อที่อเมริกาก็สิปีเพราะนั้นสี่สิปีไปเนี่ยก็เป็นช่วงตั้งแต่พศ 10-20 เนี่ยเรียนปริยัตสองศูามศูนเรียนปฏิบัติ3 0ศูถึงสีนี่ เผยแพร่ในเมืองไทย40ถึง50เนี่ยเผยแพร่ที่ยุโรปอเมริกาที่50ถึง60นี่จะไปเผยแพร่ที่ไหนต่อมาดูนะถ้าขาวไว้าจะต้องไปทางเมืองจีนเน้องแทอันนี้คือพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยนะมันสนุกการใช้ชีวิตกับการปฏิบัติธรรม ม, มันมันไม่คิดถึงวันตายแต่ถ้ามามาที่อเมริกาเนี่ยมันเออมาที่เมืองไทยมันเสียงภัยนะกว่าจะมาถึงที่นี่เนี่ยโหมัน การเดินทางบนถนนเมืองไทยของเราคือการผจนภัยดีๆนี่เองผนะจนภัยเพราะนั้นการไปถึงเป้าหมายแต่ละแห่งก็ถือว่าโชคดีมันมีสารพัดอย่างน ะ, ะคนขาดสติขนะับรถไม่รู้ว่ามันจะไปฮิตไปชนกันตอนไหนนะสภาพถนนก็แย่สภาพรถก็แย่คนก็ขาดสติไอ้การที่มาถึงจุดหมายปลายทางได้ปลอดภัยเนี่ยถือว่าโชคดีแล้ว ถ้าจะมาจะตายก็ตายเพราะอุบัติเหตุนี่แหละไม่ได้ตายเพราะโลภไยแค่เจ็บหรอกเพราะอะไรเพราะมันมาเมืองไทยของเราน่าเป็นห่วงมากนะเพราะเราขาดทำแม่ปฏิบัติธรรมก็ตามเราทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้อาตมา ก, ก็ได้นําเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติมาให้ฟังคือ เราฟังบ่อยๆถ้าหากเป็นฟังเรื่องไกลตัวเนี่ยอามารู้สึกเห็นใจนะหนักแทนแต่ถ้าเราฟังเรื่องใกล้ตัวเนี่ยมันฟังแล้วมันเบาสบายแล้วใครขึ้นมาพูดก็ตามก็ อ, อยากให้พู ด, ตตพดนนะแต่เรื่องใกล้ตัวนี้ไว้ก่อนเรื่องไกลตัวเนี่ยเราพูดกันทั้งวันทั้งคืนไม่จบแต่เรื่องใกล้ตัวนะพูดแล้วมันจบมันง่ายมันเบาแล้วมีความไม่ทุกเกิดขึ้ น, นเป็นผลก็ขออนุโมทนาสาธุในความอดทนด้วยความตั้งใจ เขอให้สิ่งที่ได้นำกล่าวมาทั้งหมดมีเป็นเพราะปัจจัยให้ได้เห็นตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็ดักตัวเองที่